เราก็เอาพุทธการลกธรรมเนี่ยมามาแยกไปมีมีอะไรบ้างนะแล้ว บ, บำเพ็ญบา ร, รมีสิบเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วบารมีสิบใช่ไหมฮะหรือมหาบราิจาคห้าเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้จะเสมอกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีเสมอด้วยการตัดสรุปอริยสัจสีนี่หนีไม่พน้นทุกพระองค์ต้องตัดสรุปอริยสัจสีหมดอริยสัจสี่ใครไม่ได้มั่งล่ะโอไม่ได้แล้ว ต, อ ง, ตองได้หมดแล้วใช่ไหม คือข้อความเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราขยายไปแล้วเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีเวลาอยู่กับพุทธคุณได้นานขึ้นใ ค, ใครท่องไม่ได้ครับในเรื่องสัจสีนี่นะแล้วก็ถ้าเราศึกษาต่อไปเราจะเห็นว่าพระผู้มีภาคเจ้านี่นะทรงเสมอกับพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ใช่ไหมฮะ สมรภูธานสี่อิติบาทสี 5, 5, ่อินทรียห้าพละงห้าพุทธจงเจ็ดอินยังอีองแปดเนี่ยคือทำเหล่านี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้มาเจริญในในในชาติสุดท้ายเท่านั้นพระองค์เจริญมาทุกชาติและพระพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เจริญอย่างนี้ใช่ไหมครับเจริญอย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเข้าใจว่าเอ อ, อ, อชาติสุดท้ายหรือว่าคืนสุดท้ายพระองค์จะเจริญเอเพียงเท่านี้ไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องเจริญ ตามอย่างนี้ด้วยแล้วถ้าใครมีความรู้ทางปริยัติมากๆใช่ไหมฮะสติปัฏฐานสี่เนี่ยอะไรบ้างโอ้สบายมากอย่างอาจารย์สันตินี่โอ้ถ้าหากว่าจะมาระลึกถึงพุทธคุณนะโอ้ระลึกไม่รู้กี่ชั่วโมงก็ไม่จบตอนนี้ก็กำลังอบรมอยู่นะครับแต่ว่ายัางจากการที่คิดว่าละเลยหรือว่าล่วงเลยไม่เห็นความ สำคัญหรือว่าประโยชน์ของความจำานะครับว่าเราเมื่อก่อนไม่ได้เน้นความจำใช่ครับก็เลยอาจจะตอนนี้เริ่มล้าหลังนะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าจะเริ่มเจริญนะครับคิดว่าไม่ยากตรงที่ว่าถ้าถ้าจะเริ่มฝึกเจริญก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างที่ภูการว่าเนี่ย ทุกอริยสัจเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าใครเรียนปฏิสมิธามากก็ก็ยิงง่ายใหญ่ใช่ไหมครับทุกหมวด1หมวด2หมวด3มหมวด4หมวด5้าจะทั้งหมวดถึงหมวด10พระเจ้าละสมุทยัยสมุทัยมีอะไรบ้างหมวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเพรเจ้าตัสสรุนิโรธหรือว่าสัชชิกาตัปพธรรมหมวดหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเแล้วก็ภาเวตัปพธรรม ก็พวกโพธิปักษ์ยธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดสรตวสิ่งเหล่านี้ถ้ามาตรึกทีระบบ ท, ทีรบทก็จิตก็จะอยู่กับอริยสัจซึ่งเป็นพระพุทธคุณอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเราจะเน้นเรื่องการที่จะไปเข้าใจสิ่งที่มันมันเลื่อนลอยแต่ว่าถ้าต่อไปนี้จะเน้นเรื่องการว่าทํายังไงจิตจึงจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอยู่กับ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างการสาธยายพระสูตรต่างๆนะครับจิตขณะนี้ก็เป็นไปในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิตกที่เป็นเนคขมวิตกอย่างหนึ่งหลายๆคนก็รู้สึกสาธยายพระสูตรได้ถาผุการอยากจะฟังก็อยากฟังครับให้พี่อีทนำสาธยายพระสูตรดี <c oughs> ครับสาธยายให้ฟังหน่อยรู้สึกหลายคนก็ สาธยายได้ใช่ครับเวลาขึ้นรถก็จะนำสาธยายกันวสวดใดที่ชำนาญที่สุดครับมันจะเสียเวลาไปหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ อ, อย่างครับเราจะออกจากนี่ประมาณสากสิบเอ็ดกว่ากว่าหน่อยนะฮะแล้วก็สิบเอ็ดครึ่งผู้ที่ถืออุโบสถศีลก็ก็กเอาพระสวด ที่สั้นก็นแล้วกันนะคะอทิตต์ตริยยยสูตรค่ะเอาใครสาธยายได้เชิญสาธยายตามเลยนะครับข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณตำบนพยาศีสะริมฝั่งแม่น้ำขยาณที่นั้นแลเสียงไม่ดีขอเชิญขึ้นมาสาธยายบนนี้ได้ไหมอ่าเชิญะขอเชิญขึ้นมาสาธยายบนนี้เลย ค่ะไม่ดังค่ะสมัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคืออะไรจักขู่เป็นของร้อนเป็นของร้อนจักขูสัมจักขู่วิญญาณเป็นของร้อน จากปุสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจยากปุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณนะ โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตโสตะเป็นของร้อนสัตธะเป็นของร้อนโสตวิญญาณเป็นของร้อนโสตสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาทุกขมาสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชราโมระโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาต คานะเป็นของร้อนคันพระเป็นของร้อนคานวิญญาณเป็นของร้อนคานสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตชิวหาเป็นของร้อนรัษะเป็นของร้อนชิวหาวิญญาณเป็นของร้อนชิวหาสัมผัสเป็นของร้อน แม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาจทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกโทมานต์และอุปายาตกายเป็นของร้อนโพธพะเป็นของร้อนกายะวิญญาณเป็นของร้อนกายะสัมผัสเป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาจทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรโมระโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตมโนเป็นของร้อนธรรมะเป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัส เป็นของร้อนแม้สุขแม้สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาจทุกพมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักผุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักผุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจัก ผ, ผุสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาจทุกขมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจยากผุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในศรัทธาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคนะันทะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออะทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัย ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโ น, โ น, น Siz, resource, ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนา right ทุกเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนาทีท่เก he, ิดข <c oughs> <Billie> <c oughs> ึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนับเมื่อคลายกำหนับ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 เพราะว่าท่านทั้งหลายได้สวดกันหลายท่านทีเดียวสวดได้ด้วยนะครับผู้ที่เข้าใจชักขะชักขสูตรนะครับก็มีโครงสร้างอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจชักขะชักขสูตรนี้แล้วก็จะสาธยายสูตรนี้ไม่ไม่สู้ยากนะนะฮะเพราะก็ว่าไปตามถาวรว่าไปตามวัตถุว่าไปตามอารมณ์ก่อนหกแล้วก็ว่ามาตามวัตถุนะฮะ อกหก็กมาวิญญาณหกมาผัสสะหกเวทนาหกตันหาหกไล่ลงไปอย่างนี้ก็ก็ไม่น่าจะยากนักนะฮะแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราไม่สาธยายนะฮะก็ก็ ก, ก็ก็ไม่ทราบซึ้งเท่ากับสาธยายเองนะฮะพระสูตรนี้น่าสนใจมากเลยนะครับอก่อนที่เราจะไปทานข้าววันนี้นะครับท่านสาธยายให้ผมฟังแล้วในฐานะผมอยู่ทางเชียงใหม่นี่นะครับ ผมก็จะชวนท่านนะฮะสาธยายสั้นๆ น, นะฮะถ้าร่วมกันสาธยายนะครับถ้าท่านอยากจะฟังไหครับท่านฟังท่านก็พนมมือแล้วก็หลับตาด้วยนะ ส, ส, สาธยายตามสาธยายตาเอาลืมตาลืมตานะครับ ส, สูตรนี้ก็ อ, อยู่ในสุนทลิกสูตรนะผมเล่าก่อนนะอย่าฟึ่งงั้นเอามื อ, อคือรู้ความเป็นมาเป็นไปก่อนนะฮะสูตรนี้อยู่ในสุนทลิกสูตรนะฮะสุนทลิกสูตรก็มีมีเรื่องราวย่อๆว่ า, ามีพราหมณ์คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าสุนทลิกพราหมณ์สุนทลิกภาระทาวาชพราหมนะฮะเขาเป็นพราหมณ์ที่บูชาไฟ อยู่แถวแถวริมแม่น้ำสุนทริกานะครับก็มีอุปนิสัยที่จะบรรลุพระอรหันต์นะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เร็งพยานแล้วก็เห็นว่าพราหมณ์องค์นี้เนี่ยนะมีอุปนิสัยเพราะ อ, องค์ก็เสด็จไปโปรดนะขณะนั้นพราหมณ์บูชาไฟอยู่ริมแม่น้ำนะฮะการบูชาไฟก็หมายความว่า เ, เป็นการบูชาพระพรหมอย่างหนึ่งโดยอาศัยไฟเนี่ยนะครับ อาศัยไฟเนี่ยเพื่อที่จะนำสิ่งที่บูชาเนี่ยไปสู่พระพรหมของเขานะฮะเช่นจะมีจะถ้าต้องการให้พระพรหมได้อะไรเขาก็จะเอาของนั้นก็ใส่เป็นในไฟอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเช่นสมมติว่าเขาอยากจะถวายข้าวข้าวอะไรนะข้าวมทุกปลายาหรือข้าวอะไรนะข้าวยาูอะไรเนี่ยนะเขาก็เอาไปใส่ที่ไฟีนะฮะวันนั้นพระพุทพ พระผู้มีพระภาคจเจ้าก็เสด็จไปนะไปถึงก็ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วก็เอาเอาเอาจีวร น, นะครับนะสะคลุมไว้นะเพื่อที่จะให้พรามณ์นั้นเนี่ยน่ะเกิดสะดุดตาเหมือนกันเถิดนะฮะตอนนี้พราหมณ์เข้าบูชาไฟาเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาก็เหลือข้าวปลาญาติอยู่เขาก็นึกว่าเออข้าวปลาญาตินี่นะเขาจะไปให้ใครดีนะที่สมควรที่จะได้รับการ อาบูชาหรือให้ทานอันนี้เนี่ยเพื่อที่เขาจะได้บุญมากๆานะฮะเขาคนนึกว่าเ้าก็มองหาดูว่าเออใครบ้างที่สมควรที่จะรับนะฮะเขาก็นึกว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็มีลูกมีบริวารอะไรจะแม้ซึ่งก็เป็นพราหมด้วยกันเนี่ยนะเขาถ้าไปให้กับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเออก็ดีก็เขาก็เลยคิดว่าจะเอาไปให้นะฮะเมื่อเขา เดินออกมาแล้วเข้าเห็นพระพุทธภาคเจ้าทรงประทับนั่งอยู่นั้นเนี่ยนะฮะเขาก็เห็นว่าเอ๊ะเขาแปลกใจว่าเอ๊ะใครนี่นเนี่ยมีความมีมีความเพียรมีมามาเจริญสมณธรรมเออยู่ในในในในในป่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> เขาก็แปลกใจนะแล้วพระพุมธภาคเจ้าพระองค์ก็นะเปิดเปิดจีวรเปิดที่คลุมพระเศียรนะ พระรามก็เห็นอ้าวนี่เป็นเป็นบุคคลที่บุคคลโล้นนี่ใช่ไหมฮะแต่ก็แต่ก็ามาคิดว่าเออบุคคลโล้นนี่นะครับเป็นพระรามก็มีนะน ะ, ะไม่ใช่สมณะอย่างเดียวนะพระมณ์บางพวกเขาก็าศีสิาโล้นก็มีเพราะฉะนั้นก็ เ, เข้าไปหาสักหน่อยสิไปไต่ถามใช่ไหมครับเมื <ME> ่อเข้าไปไต่ตตถามเนี่ยโดยมากเขาจะถามถึงเรื่องโคดในะความบริสุทธิ์ของโคดก่อนว่าเออเนี่ย เธอเนี่ยเป็นพราหมจริงไหมอะไรทำนองนั่นนะก็ไปตาถึงโค่ น, นก็ไปถามพระผู้ธ่เจ้าพระผู้ชเจ้าท่านก็ออบอกว่าเอออ ย, อย่าเพิ่งถามเลยไอ้อเรื่องโค่นเนี่ยนะให้ถามเรื่องอื่นเถอะนะพราหมณ์ขึ้นชื่อว่าพรามเนี่ยนะหมายความว่างไงนะพระเจ้าถาม นะถามถามซูนทลิกกพรามอนะ่ะเออความเป็นพรามเนี่ยเป็นยังไงพราม์ก็อาธิบายว่าเออต้องบริสุทธิ์มาเ็ชั่วโคตรอะไรจําลองนั้นเนี่ยนะแล้วก็จะต้องรู้ไรเพศจะต้องรู้ อ, อ่าอย่างน้อยสุดก็ต้องรู้เขาเรียกว่ารู้ฉันนะฮะนะเขาเรียกว่าสาวิตรีฉันนะฮะเ อ, อแล้วสาวิตรีของเธออ่ะ เ, อเป็นยังไงบ้างล่ะพราหมเขาก็ยกตัวอย่างดูเอาสาวิตรีต้องเป็นอย่างงี้นะ นะเป็นคําประพันธ์อย่างหนึ่งนะฮะสาวิตรีนี่นะเราเรียนมาแล้วเราเข้าใจใช่ไหมสาวิตรีฉันนี่ใช่ไหมฮะพราม์เขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาถึงสาวิตรีฉันใช่ไหมพระองค์บอกว่าเออสาวิตรีอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อริยะสาวิตรีน้นงอ่านนะไม่ใช่ส า, สาวิศะไม่ใช่อริยะสาวิตรีนะแม้จะมีอะไรสาบท8ปดคำยี่บสีอักษรเหมือนกันกันจริงเนี่ยนะ พระรามเขาโยกขึ้นมาบอเอ้นีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่อริยะอริยะต้องอย่างนี้พุทธังสระนังคัจฉามิอย่างนี้นะธรรมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามินี่ต่างหากจึงจะเป็นอริยะสาวิตรีนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนกาบใช่ไหมครับนะฮะพรรามนี่ก็เออภิกษุนีสมณะ น, นีรู้เรื่องสาวิตรีถึงแม้จะไม่เป็นพรารมณ์แสดงว่าไปแอบเรียนมาลมั้ง ใช่ไมไ้ยไปแอบเรียนเรื่องออออคงมีความรู้นะเกี่ยวกับพรามน ะ, ะเออก็น่าสนใจน่าสนใจใช่ั้ยฮะ เ, เราจะหาเราจะจะได้ความรู้จากจากภิกษุองค์นี้นะฮะก็บอกว่าเออเราจะถามที่ว่าเรากำลังจะบูชาเนี่ยนะบูชายันเนี่ยบูชา พ, พระพรหมเนี่ยพระจะบูชายังไงถึงจะถูกต้องนะฮะ พระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวต้องบูชา ย, ยัางนี้สินะบอกว่ามีบูชาไงบ้างล่ะบอกมีเยอะเลยคนระับพระองค์ก็แสดงสุนทริกูตรมานี่ว่าว่าบุคคลที่ควรบูชามีอะไรบ้างนี่นี่ก็มาถึงจุดที่ผมจะอาจะอธิบายว่าพระพุทธภาคทรงแสดงบุคคลใดที่มีคุณสมบัติรับการบูชาคําว่าบูชานี่ก็ดีนะบูชายันตัวนี้คือคําเดียวกันคือการเอา ข้าวของหรือว่าเอาปัจจัยสีเนี่ยไปไปให้ไปถวายไปบูชานะซึ่งมีทั้งอามิสบูชาปฏิบัติบูชาเนี่ยตามที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเป็นบูชายันยันเขาก็เรียกบูชาเขาก็เรียกคือสิ่งเดียวกันนะครับพระรุจ้าท่านก็สาธยายมาเยอะเลยนะก็เริ่มต้นด้วยบทหนึ่งนะท่านบอกว่ายังผมยังไม่สาธยายนะท่านบอกว่าชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้ว นะไม่ยึดถือนามรูปว่าเป็นของเราเหมือนอย่างที่คนผ่านทั้งหลายเขายึดถือกันได้แล้วเที่ยวไปพรามณ์พึงลังทยธรรมต่อบุคคลนั้นตามกาลละเถิดนี่ตัวอย่างว่าบุคคลใดนะที่เขาละกามทั้งหลายได้แล้วใช่ไหมที่เขาสามารถละวัตถุการมกิเลสกรรมรูปรดเกลื่นเสียงถ้าผู้ใดเขาสามารถเอาชนะได้เนี่ยนะเออบุคคลนี่เนี่ยนะ คุณบูชานะเพราะว่าและอีกอย่างก็คือีกบุคคลห น, นึ่งนะที่ควรบูชาก็คือถ้าผู้ใดละนามรูปที่คนพานยึดถือว่าเป็นของเราได้แล้วนะต้องคนพานด้วยนะแล้วก็เที่ยวไปด้วยนะมีคําว่าเที่ยวไปด้วยนะหมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยทำเป็นปกติในชีวิตประจําวันเลยนะเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ยึดถือนามรูปที่คนพานยึดถือกันว่าเป็นของเรานะ เจนหน่มลูกของเราหลานของเราบ้านของเรารีสอร์ทของเราเนี่ยไม่ได้ยึดอย่างนั้นไม่ได้ยึดอย่างนั้นนะก็ต้องยึดเป็นปรม a m เป็นอะไรก็ว่าไปนะถ้าอย่างนี้เนี่ยควรบูชานะเพราะฉะนั้นอย่างผมไม่ควรบูชานะนะยังมีไอ้เตยยังมีไอ้เจ้าอยู่ยังไม่ควรบูชานะอย่างมีหลานของเราหนึ่งแม่บ้านของเรารถของเรารีสอร์ทของเราอย่างนี้ยังไม่ควรบูชาเพราะยังเป็นคนพานอยู่นะนี่นี่ตัวอย่างใช่ไหมฮะนี่ตัวอย่างนะ อตอนนี้ก็บทที่ที่สมควรบูชาก็มีอีกบทหนึ่งซึ่งผมได้จดจำหัวข้อไว้นะแล้วก็นำมาเอามาตกษาแล้วก็มาเพิ่มเติมขยายออกไปนะครับตัวบทเดิมนั้นท่านกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ว่ามีความความสงบไม่มีใช่ไหมไมไค่อยเคยออกใช่ไหม ชนเหล่าใดละการทั้งหลายได้แล้วเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะดับความเร่าร้อนได้แล้วย่อมควรเครื่องบูชามีเท่านี้เองนะเพราะฉะนั้นเราอัาคาเหล่านี้เนี่ยพอเราท่องได้แล้วนี่นะชนเหล่าใดละการทั้งหลายได้แล้วเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะดับความเร่าร้อนได้แล้ว บุคคลนั้นย่อมควรเครื่องบูชาตร่นี้น ะ, ะเมื่อเรานําข้อความเหล่านี้มาขยายเราก็จะขยายได้ความข้อความต่อไปนี้นะครับับเชิญพนมมือนะครับก็หลังจากนั้นแล้วจะได้ไปทานอาหารจนข้าพเจ้ า, ข, า, จาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ละกามทั้งหลายได้แล้วกิเลสกามเามพราะองค์ละได้แล้ววัตถุกามพระองค์ทรงครอบงำได้แลว้วย่อมควรเครื่องบูชาข้าพเจ้ า, จาขอน้อมอน้อมและบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น วัตถุกรรมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่ายินดีน่าพอใจทำให้เพลิดเพลินชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนี่แหละวัตถุกรรมวัตถุกรรมได้แก่ที่ดิน บ้านเรือนเลือกสวนไล่นาทรับสมบัติแก้วแหวนเงินทองอันเป็นที่น่ารักน่าใครน่าเพลิดเพลินน่ายินดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำปริญญากำหนดรอบรู้ ในวัตถุ ก, กรรมเหล่านี้ได้แล้ ว, ว, กกลวย่อมควรเครื่องบูช า, ชาข้าพเจ้าขอบูชาและระลึกถึงพระปัญญาคุณพระ บ, บริสุทธิ์ที่คุ ณ, คณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น กิเลสกมคือความติดขอ้องความพอใจความยินดีความกำหนัดในวัตถุกรามเหล่านั้ น, นกเนนิเลสกรรมเป็นปหานะตับพ ร, ร ะ, ะพธรรมกิเลสกร ม, เ, กมเป็นสมุทรรมัทยศาตร์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละกิเลสกรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดได้แล้วพระองค์ย่อมควรเครื่องบูชาพระองค์ย่อมควรเครื่องบูชาข้าพระเจ้าขอบูชาและร ะ, ะลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้แล้วพระองค <bug> ์ <naz i> รู้ลักษณะของกรรมรู้ความเกิดความดับของกรม รู้ปฏิปทาเพื่อให้ถึงความดับของกาม ร, รู้อัาธาคือคุณของกาม ร, ร, รู้อารทีนว ะ, นวะคือโทษของกาม ร, รู้นิสรณะสนะคือการสลัดออกจากกามพระองค์ตรัสรู้แล้ ว, ลวย่อมควรเครื่องบูชา ข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาค เ, เจ้าทรงตรัสรู้กรรมทั้งหลายแล้วพระองค์ยังแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย ทำให้ตื้นซึ่งโทษของกามและอานิสงส์แห่งการออกจากกรมให้แก่เวนัยสัสตว์พระองค์ตัดพระองค์ได้แสดงแล้วย่อมควรเครื่องบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น การทั้งหลายเป็นของต่ซาำเป็นของตซาเป็นของมีโทษเป็นของมีโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหากรุณาคุณแสดงแล้วการทั้งหลายเปรียบด้วยโครงกระดูก กามทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้ออันเป็นที่แย่งการของสัตว์โลกกามทั้งหลายเปรียบด้วยลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยกองเพลิงพ่อเผาสัตว์ให้เดือดร้อนการมทั้งหลายเป็นปริตรธรรมคือเป็นทรรมเล็กน้อย <orian. S 2> นิดหน่อ ย, อยเปรียบด้วยความฝันเปรียบด้วยของขอยืมเป็นของเล็กน้อ ย, ออยชั่วครา ว, ว, ราวมีโทษมา ก, ม, ม, ากมีทุกมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโทษของกามเหล่านั้นขาน้นขาพเจ้ า, ข, า, จาขอนอบน้อม และระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมีพระมหากรุณาคุณทรงแสดงอานิสงส์แห่งการออกจากกรรม ด้วยการบําเพ็ญเนคขมมะด้วยการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ละกามสัตว์เราใดปฏิบัติตามละกามได้เด็ดขาดแล้วย่อมข้ามโอคาได้ ถึงฝั่งได้พระองค์แสดงแล้วย่อมควรเครื่องบูชาข้า พ, พเจ้าขอบูชาและระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ยังไม่จบก็เอาไว้บลหลังนะครับอัอนนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นการะจะเจริญพุทธคุณอย่างหนึ่งที่ที่เราจดจำหัวข้อแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้จากการศึกษานั้นนะฮะจากการเรียนเหล่านั้นมาขยายและข้อความเหล่านั้นเราไม่ได้คิดขึ้นเองเลยนะมาจากคำพีก็มาจากพุทธพจน์ทั้งนั้นเลยนะฮะ อันนี้ก็ตอนนี้ก็คงได้สินาทีก็เชิญทานอาหารได้ครับเเชิญครับ